เช่นที่ท่านทํามาแล้วน่ะไม่สงบท่ารทำไม่สงบที่ท่านสั่งขึ้นว่าหยุดให้การโพดตันเทียดีเป็นตัวอย่างแล้วก็เกิดความสงบขึ้นมาออันนี้ก็เได้ว่าการกระทําเช่นนี้ไม่ใช่ไหวหวังดีขึ้นเพราะท่านทัานหลายมายอยู่ที่นี่ได้เป็นประโยชน์นี่คือความหวังดีอืม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 พระข้อประพฤติปฏิบัติท่านก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องฝืนมันฝืนความรู้สึกของเราซึ่งมันเข้าค่างตัวเรามากซุกแนงต้องฝืนเช่นนั้นเช่นว่าเราวันทานอาหารมากอย่างนี้เป็นต้นมาที่าทานวันนี้มันน้อยทานมือเดียวนี่ก็ฝืนฟองอืม มันศืนพอทุกอย่างมีแต่เรื่องฝืนฝืนทัน้งนั้นต่เพราะอะไรนะเราเป็นปุถุชนเราซึ่งเป็นปุถุชนอยู่ถ้าเราไม่ฝืนความรู้สึกของเราอันนี้ไอ้ความเป็นปุถุชนยืออันตรพ า, า น, นั้นมันก็ยังฝังอยู่ในสันดานของเราเรื่อยไป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 จะถือว่าแม่ท่านตังจานท่านบวชตั้งยี่สิบรรษาแล้วนะอย่างนี้มันก็ได้แต่ยี่สิบรรษานั่นแหละไอ้ที่ฟวามถูกต้องไม่หมดนันไม่มีมันมันจะไปเกิดประโยชน์อะไรดังนั้นพวกท่านทั้งหลายที่เป็นนวักะที่เขามาปฏิบัตินี้เป็นต้นถ้าพวกท่านทั้งหลายเอาไปพิจารณาให้มันแยกทายถูกต้อง ความบรรุถึงธรรมะของพวกท่านทางไหนก็เกิดเป็นนีเกิดมีขึ้นมาการบรรดุธรรมะการกัตถุธรรมะนี้ถ้าเรามาคิดไปอย่างหนึ่งกวรู้เหมือนว่ามันเป็นของสูงเกินไปไม่ควรที่เราจะเอามาพูดให้บรรุธรรมะอมไอ้ความเป็นจริงคนเหมือนเรานี่นนี้เสมอแล้วที่จะบรรุธรรมะนดะ้ บรรลุธรรมะมบรรลุธรรมะยังไงเพื่อเราเข้าใจในธรรมะอันนี้มันบาปบาปนัื่อคือมันผิดมันผิดนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ตนและมันไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นทั้งนั้ น, นของทั้งหลายเหล่านี้เดียว่ามันไม่เกิดประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นแล้วเข้าใจชัดเจนเช่นนี้ก็เรีย ว, ว่าเราบรรลุธรรมะซึ่งเป็นในทางที่จะควรละ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 ร่วมที่แท้จริงๆนันจะอาศัยตัวของตัวจริงๆซึ่งจะเปลี่ยนไปได้แบบนั้นเมืม่อความเข้าใจรึกซึ้งจากความเป็นจริงนั้นมันดื้อไม่ได้มันเรื้อไม่ได้จะนั่งจะยืนจะเดินมันรื้อไม่ได้ในเรยบททั้งหลายในการยืนการเดินการนั่งการนอน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 รู้แล้วมันนักในตัวมันอันนั้นมันเป็นปัจจัดตังเป็นคนุณธรรมอันหนึ่งซึ่งมันมีในจิตซึ่งมันทำลายอาสวะทั้งหลายออกจา ก, กจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายได้นั้นทำไมท่านจิงระจิริตได้ทำไมท่านจิงระความโรคได้ทำไมท่านจิงระความโกรธได้ทำไมท่านจิงระความหลงของท่านได้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 อาหารของมนุษย์ทั้งหลายนั้นกับอาหารของสัตว์ต่างกันเช่น ว, ว่าไก่อย่างนี้เป็นตัวอย่างมันไปเพาะอะไรอะไรเข้ามันเป็นอาหารของมันเป็นเรื่องส่วนเกปอบกลกของมนุษย์แต่ว่าไก่มันแย่งกันกินแต่เรามองเห็นเนี่ยทำไมมันละได้ไหมมันไม่เอาอ่ะอือชาไปวัดยวจะเรื่องของไก่เมื่อไก่มันชอบกันได้เกิน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 ในที่นี้นั้ น, นจริงใ น, นเกิดประโยชน์ไอ้ประโยชน์นั้นคือห่วงหมายประโยชน์ที่มันเกิดกับจิตใจของเจ้าของนะอย่าไปห่วงหมายประโยชน์กับคนอื่นเลยเช่นว่าจะมาอบรมธรรมะกับผมนี้ผมจะให้ธรรมะกับพวกท่านทั้ ง, งหลายนั้นอย่างชอบใจแล้วรู้แจ้งแทงตลอดไปสมสมมตเสมอไปนั่นอันนั้นมันเป็นคนดเรื่อง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 นั่นแหละตามกำหนดการผมจะอรรถมารับรับไปพักวันทั้งบะโพงนี้ก็จะอรรถมารับไปทำแต่งเพชรตามกำหนดการที่เราพูดกันไว้ฉะนั้นต่อ น, นี้ไปเวรามันมีน้อยโอกาสมันมีน้อยพวกท่า น, ท, า น, นาทั้งหลายที่หวังดีต่อการประพฤตปฏิบัติแล้ว ถ้าจะมีอะไรที่ความมีความขัดข้องและมีความสงสัยแล้วมีความจําเป็นที่จะศึกษาให้เป็นประโยชน์ส่วนตัวของปรมาธิยานนั้นผมก็ขอให้เป็นโอกาสที่ให้ปรมาธิยานน์ได้จะถามปัญหาและกระผมจะตอบปัญหาให้พอสมควรเพราะว่าเป็นวันสิ้สุดท้ายในสถานที่นี้ต่อ น, นี้ไปขอขอให้โอกาสปรมาธิยาน า, าย ตามสบายทุกทา่านเวล า, วลามันน้อยไปโนนหน้าเป็นไงฮยไปโนนหน้าเป็นยังไ ง, นนปป ง, ไงทุกท่านนะให้โอกาสแล้วนะบุญคามรู้ที่ผมาบว่าเกิดนะจากกดม หึมนันไงเด่นเจขาาัชล้านหรือีล้านะจะทยไหอ่ารก็คือเราเก็บมันไว้ไม่ใช่อย่างมันกระป่าเราเด่นเจขทห้าคืออะไรบ้างโรคเสียงกลิ่นลมเดันเัขาห้าก็คือขนห้าที่มันมีอยู่นี่แหละ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 ใครจะไปร่องขอยอมือทุกสิ่งทุกประการนั้นมันเป็นไปอย่างนั้นเลยว่าก็ไม่เป็นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันก็หมดทางแก้ไขของมันแล้วได้ผวางคิดมันก็วางมันละเฮ้ยแต่เองของมันเองนั้นอีนด้วยการกำหนดพีเจตนานั้นว่าเรากรวยเนี่ยใจผมทํำยังไงมันถึงจะหายหายตัว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 รูปก็คือตัวรูปเวทนาก็คือความสเสมอิสุขสเสมยทุกสัญญาตัวความจมสังขารก็คือความปูนแต่งวิญญาณก็คือควงรู้เราเห็นมันแน่ไหมที่นี่เห็นเห็นมันแน่นอ น, น, น, นเนอะในในรูปในเบญธนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนี่มีเจ้ของไม่เที่ยงเท่านั้นเนี่ย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 อันนี้มันก่อนสำคัญว่า น, นี่ต้องเกิดมันเกิดเป็นมานตรต้องระงับไปด้วยการพิจรารณาให้มันถึงที่สุดของมันยกตัวอย่างเช่นว่าพระคดีมณ น, นกับพระอ น, อนุนพระครีมโนนปว่วยนะโอ้โหร่างกายเนี๋ยมันหมดขนาดนั้นเลยพระพุทธองค์มีมนพระอา น, อนุ์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 ที่นี้มาโดนก็ฟังไปด้วยจิตก็สงบเข้าจิตก็สงบเข้าภาวนาก็เห็นเขาไปจิตสงบเข้าไปด้วยด้วยปัญญาก็เผยเออเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เที่ยงสักอย่างหนึง่งไม่เหนื่อยไม่นอนไม่ใส่ตัวใส่ตนไม่เป็นเราไม่เป็นเขาอย่างเนี้ยมันก็เลยแยกกันดอกคนละอย่างไอ้ความยึดมัน่นถือมันมันเลยแยกออกจากเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นในเวลานั้น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 แต่มันพอใจเสี้ยจริงๆแล้วมันหายเข้ามันเนี่ยมันสักเบวาสุขสักเบวาทุกแต่มันก็หายอันนี้ก็เป็นเครื <nailed> ่องที <frågor Jake performance> ่สาคัญของพวกเราเหมือนกันนะอืมการที่ได้ความคิดมันสูงมาถ้าสมมติว่ามีการวิจารที่ผิดก็เป็นแค่นะคือว่ความรู้ที่จะเป็นสิ่งท่สำัญนะมก็มันก็เป็น มีทาง้องกันใแบบที่ชาติทิช่ไหมคามไม่่นอ๋อท่านนีชาติที่เสียกินไปแล้วมันก็ทุกเกิดขึ้นมาทั้งนั้นแหละมันก็มีทุกเกิดขึ้นมานั่นแหละเพราุคนสมยนั้นเขาว่าต้องตัดแ่าคนที่ไปทำในการนัทาสตรนั่นเขาคว่าเขาตัดแต่แค่ฆาคนแบบนี้เพรา่มันเกิดอะไรไม่ได้อย่างนั้นมันไม่ได้อย่างนั้น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 พวกนั้นพระพุทธเจ้ า, วาไว่รับการพิจารณาไอ้รรมของสังตวผักตรง น, นมันผักไปตรงโน้ไมไม่ได้มารับดีใจในตรงนี้อันนั้นเรียกว่าหลงจนกว่าพีเวันเป็นอภพภาษัตแล้วนะเป็นอภพภาษัตมันเป็นส่วนหนึ่งนนแต่ว่ามันก็พี่เรียกว่า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 ไม่มีอะไรเพียมันจะเกิดขึ้นอีกว่าไงถึงจะพิจถึงรูกตามใรว่าบังทีงไม่เห็ว่ามันยังไม่พิจ า, ารณาถึงตางอะไไม่า่จะ่อานใช่อันนี้ <laughs>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 อมไปเร่าให้ฟังว่าเมื่อนั่งสมาธิอย่างนี้แล้วจะอยากให้มันสงบเดียวนี้อย่างนี้อย่างนี้ยิ่งมันยิ่งวายบางครั้งเราทําใจปล่อยให้สบามเสมอพอเอาเท้าขวาทับต่อไปมือซ้ายทับมือขว า, ขวาไปแล้วไม่ได้คิดอะไรมากมายมันสมรุนกันมันก็สงบกันอันนี้ต้องประอกอบความเพียรต้องพยายามความเพียรือความเพียรก็หมดแล้ว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 จิตเราก็เป็นบรรดาอยู่แล้วนะก็พูดกันตามบรตดาพูดไปตามบรตดาได้เยอะอย่างผมเคยเล่าให้ฟังไอห้หลานตากั่หลานเนีย่ยเนี่ยตาจะปไปไหนเออพ่อจะไปเผาศพคะ่ะศพคนตายตายตาคนตายแล้วมันปเป็นอะไรมันปเป็นผีตาเขาวะเด็กมันถามนะตาผีตายแล้วมันเป็นอะไร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 แต่ที่จริงมันไม่มีอะไรนี่ครับเห็นมันมีอะไรไหมมันก็ไม่มีอะไรครับเพิ่งมันจะแตกไปนีนแก้วนี่มันก็ไม่เสียหายอะไรครับมันไม่ทุกข์ใน้อนตัวเราโน้นไม่แตกมันทำไมมันทุกข์่ะอนี่ใช่ไหม อ, อย่างต้นไม้ในสวนแล้วนี่ทุกทุกตัวทุกตนนะ่ะถ้าหากมาเราเออเราทุกคนจะไปเกิดกทุกต้นไม้ต้สนสมุติบางต้นบางที่ดี่อยู่ในสวนเลย น, น, น, นะ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 ต้องไปในธํานองนี้นี่แียกคุณผูปฏิบัติทำฉะนั้นผมจึงได้ตัดมาเอาละไม่ต้องเรียนเนี่ยนะพอเท่นี้ก็พอไจุดมันอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันพ้นทุกตรงนี้มันก็พอแล้วนะ่ะเนี่ยแล้วผมจึงได้พูดวันนั้นว่าก็งคงจะไม่รู้ว่าเราเรียนกันมา น, น, นานๆเกิดมาพ่อแม่ศึกษาหรือมันคนในอย่างกั น, นะแต่ว่าเรียนผลทุกไม่ได้เรียนเอาอนนั้น่ะได้อนั้นมาเราที่เก็บนทุกอย่างเนี่ย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 พระพุทธเจ้าจะไม่ไม่ถึงว่าไอ้การการพ้นทุกข์เนี่ยไม่ถึงว่าการมีทรัพมากการมีอะไรมากๆการมีความรู้อะไรมากๆากท่านหมายถึงนั่นคนมีทรัพมากมากเจอไปเห็นไหมคนมีความรู้มากมากเยอะไปเห็นไหมพ้นทุกข์ไหมมีไหมอย่างนี้นนท่านหมายถึงความถูกต้องให้มันรู้จักกเรื่องอย่างควมามเปรียบอันนี้มันแก้วอะไรเป็นแก้วหรือไม่อย่างนี้ อืมีพวกโรคทั้งนั้นก็คงเขียงกันจนไปจนอุดตันแล้วนั่นนี่นะไม่จบเลยมันเจนอะไนั่นน่ะ น, น, น, นี้วันหนึ่งผมนั่งเรือข้ามแม่น้ํากับด ร, ร์มาจากฝรัง่งด ร, ร์อืไอคนนั่งใจเฮมาปฏิบัติด้วยนะแก้ขัดในการทําวัดสดมูลในการทําสงเที่เหมือนลองรอง้รองเพลงเล่นเท่านะั้นว่าเรองเพลงเล่นก็นร้องไปเฮ